สำนวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระอริยาบุคคลหลายระดับก่อสำนวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระเสขะกับพระอรหันในประเทศสูตรและต่อด้วยสมัติสูตรสังยุตตนิกายมหาวารคท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปหาท่านพระอนุรุตถึงที่อยู่ ครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระอนุรุตว่าท่านอนุรุตเรียกกันว่าพระเสขะพระเสขะด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระเสขะพระอนุรุตตอบว่าเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้แล้วบางส่วนจึงเป็นพระเสขะพระสารีบุตรถามอีกว่าท่านอนุรุตเรียกกันว่าพระอาเสขะพระอาเสขะ ด้วยเหตุผลเพียงไหนจึงเป็นพระอเศขะพระอนุรุษตอบว่าเพราะเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เต็มบริบูรณ์จึงเป็นพระอเศขะในเทวทสูตรสั่งยุตตนิกายสลาญตนวัคพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดทุกรูปมีกิจที่ต้องกระทำด้วยความไม่ประมาทในผัสสะญตนะ คือในอาญาตนาสาหรับรับรู้ทั้งหและเราก็ไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดทุกรูปไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทในปัจสถานะคือในอาญาตนาสาหรับรับรู้ทั้งหภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกท่วนสำหรับภิกษุเหล่านั้นเรากล่าวว่า ไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทในภัรษายตนะทั้งหข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกิจที่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทอันพิสุเหล่านั้นทำเสร็จแล้วพิสษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะประมาทส่วนพิสุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลยังปรารถนาอยู่ซึ่งทำอันเป็นโยคเกษมที่ยอดเยี่ยมคืออรหันตภาวะ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 ปริยายหรือแนววิธีที่เมื่อได้อาศัยแล้วพิกุเสขาดารงอยู่แล้วในเสขภูมิก็รู้ชัดได้ว่าเราเป็นเสขะพิกสุอเสกขาดารงอยู่แล้วในอเสขภูมิก็รู้ชัดได้ว่าเราเป็นอเสขะในข้อนี้พิกสุเสขาดารงอยู่แล้วในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าทุกข์คือดังนี้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 ภิกษุเสขย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ทั้งห้าคือสัตทินทรีวิรียินทรีสตินทรีสมาทินทรีปัญญทรีอินทรีทั้งห้ามีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุดมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นจุดหมายเธอสัมผัสด้วยนามากายังไม่ได้เป็นแต่เห็นปลุกโโปร่งด้วยปัญญานี้เป็นปริยายหนึ่ง ที่รู้ชัดได้ว่าเราเป็นเสขะในข้อนี้ภิกษุอเสขะย่อมรู้ชัดอินสีทั้งห้าคือสัตทินรีวิริยนินรีสตินสีสมาธินสีปัญยินรีอินสีทั้งห้ามีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นจุดสูงสุดมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นจุดหมายเธอทั้งสัมผัสอยู่ด้วยนามากาย และเห็นปลุกโรงด้วยปัญญานี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อได้อาศัยแล้วภิกษุอาเซขะดำรงอยู่แล้วในอาเซขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นอาเซขะอีกประการหนึ่งภิกษุอาเซขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีทั้งหกคือจักขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินรีกายินรีมนินสี เธอรู้ชัดว่าอินทรีทั้งหกเหล่านี้แหลจจกดับไปหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่เหลืออยู่เลยและอินทรีหกเหล่าอื่นก็จกไม่เกิดขึ้นณที่ไหนไหนเลยนี้ก็เป็นปริยายหนึ่งที่รู้ชัดว่าเราเป็นอาเซขะในภูตะมิทสูตสั่งยุตตนิกายนิทานวัครพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตร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 ปัญญาอย่างเสขะคืออย่างไรภิกษุในธรรมวิเ น, นัยนี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทยัยนิทุกขานิโรธนิปฏิปทานำไปสู่ทุกขานิโรธนี้เรียกว่าปัญญาอย่างเสขะอริยสาวกนั้นนั่นแหลผู้ประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ได้ประจักษ์แจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบันซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้ศีล ส, สมาธิและปัญญาในกรณีนี้เป็นอศเสขะทั้งหมดในเศขาูตรที่หนึ่งอังคุตรนิกายติกนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะศึกษาอยู่แลฉะนั้นจึงเรียกว่าเสขศึกษาอะไรเล่า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 สัมมาสมาธิที่เป็นเสขะด้วยเหตุเพียงนี้แลภิิษุชื่อว่าเป็นเสขะในอเสขสูตรอังคุตรนิกายทัสกานิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญานสัมมาวิมุต ที่เป็นอเสขะอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอเสขะในโลมาสกังพิยสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวัคท่านพระโลมาสกังพยิยะแสดงความแตกต่างระหว่างเสขาวิหารกับตถาคตาวิหารว่าพระเสขาอย่างละนิวรณ์ห้าอยู่ส่วนพระอรหันต์กำจัดนิวรณ์ห้าได้หมดสิ้นเด็ดขาดแล้วคมพีอภิธรรมจากัดความว่า